วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมาคบูชาคําว่ามาคาบูชานี้แปลว่าการบูชาในเดือนมาคะ ในสมัยพุทธกาลเดือนสามนี้มีชื่อว่ามาคะถ้าเป็นเดือนหกก็ชื่อวิสาขะถ้าเป็นเดือนแปดก็ชื่ออาสาละหะในทางพระพุทธศาสนานเรามีวันสามคันอยู่สามวันด้วยกันคือวันมาค้าบูชาคือวันนี้ แล้ววันวันเพ็ญเดือนหก็เรียกว่าวิสาขาบูชาแล้วก็วันเพ็ญเดือน8ก็เรียกว่าอาสาฬหาบูชาทั้งสามวันนี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่มาสจรัร์อย่างยิ่ง สำหรับชาวพุทธเราวันมาคะนี้ก็เป็นวันที่มีพระอาหารหันต์ตัดสาวกข อ, ของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพันสองห้าสิบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า จากทั่วทุกสารทิศโดยไม่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้เป็นการมาพบด้วยความเคารพด้วยความกระตันอยู่ในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงประทานพระธรรมอันประเสริฐให้แก่เราบรรดาพระอนันตสาวกได้บรรลุ เป็นพระ อ, อรหันตสาวกได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระ อ, อรหันตเหล่านี้ล้วนเป็นพระ อ, อรหันตที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนี่คือความสำคัญของวันมาฆบูชาคือ เป็นครั้งแรกของโลกที่มีพระอาหารหันต์ถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันมาพบปะกันโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายเอาไว้<ม>การมีพระอาหารหันต์แต่ละรูปนี้เป็นของที่ไม่ใช่ของง่ายๆที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆ ยกเว้นในช่วงที่มีการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้ามีการตัดสร้ของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก็จะมีพระพุทธเจ้ามาทรงสแสดงธรรมมาทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้ เรียนรู้และได้นำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุหลุดพน้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระอาหารหันตสาวกซึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสู้เป็นบุคคลแรกเป็นผู้ทรงค้นพบวิธีหรือทางแห่งการหลุดพน้น จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี mm ้ hmm. ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ตนเองนั้นได้หลุดพ้น mm hmm. จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย mm hmm. ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ mm ้ hmm. พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วทีนี้ก็จะมีผู้มาสอนวิธี ที่จะทำให้จิตได้หลุดพน้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ทรงตัดสรู้ในวันแผ่นเดือนหกที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาชหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วก็ได้ทรงพิจารณาอยู่ว่า สมควรที่จะนำเอาธรรมะนี้ไปเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกหรือไม่อย่างไรในเบื้องต้นก็ทรงมีความท้อพระทยัยคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะนำเอาคำสอนอันเลิศอันประเสริฐนี้ไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเืนว่ายตายเกิดได้ จึงมีความไม่ปรารถนาที่จะนำธรรมมันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงตัดสร้นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่บุคคลต่างๆแต่หลังจากที่ได้มีการอาราธนาจากเท้ามหาพรหมและหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาดูจิตใจของ บุคคลทั่วไปก็สามารถแยกแยะบุคคลไว้ได้เป็นสี่จำพวกด้วยกันที่เปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนบัวสี่เหล่านั้นเอง mm hmm. คือบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะบรรลุถึงทรมันประเสริฐนี้ได้มีมากน้อย มีความสามารถมากน้อยต่างกันก็ทรงแยกไว้เป็นสี่จำพวกด้วยกันจำพวกที่หนึ่ง mm. คือพวกที่เรียกว่าบัวหนือน้ำพวกนี้เป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถมากพร้อมที่จะนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติและบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว เสียมเหมือนกับบัวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพียงแต่รอให้พระาทิตขึ้นมาให้มีแสงสว่างของพระาทิตมาสัมผัสบัวก็จะบานขึ้นมา ท, าทันทีพวกนี้ก็เป็นพวกที่บัวเหนือน้ําพวกที่สองนี้ก็ได้แก่พวกบัวปริ่มน้ำํำ คออือยังไม่ยังไม่พ้นผิวน้ำอยู่ใกล้ๆผิวน้ำแล้วกำลังจะโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำพวกนี้ก็จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้าก่อนแล้วถึงจะสามารถบานออกมาได้พวกนี้ก็เป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถด้อยกว่าพวกที่หนึ่ง คือจะต้องใช้เวลาสอนขั้นต่างๆขั้นของการปฏิบัติต่างๆอย่างละเอียดก่อนถึงจะสามารถที่จะบรรลุถึงธรรมอันประเสริฐได้ <Yeah. S 1> พวกที่สามนี้ก็เปรียบไปเหมือนพวกบัวกลางน้ำ <Yeah. S 1> เป็นพวกที่ต้องใช้เวลามากพอสมควรกว่าจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ แลถึงจะบานออกมาได้ส่วนพวกที่สี่นี้เป็นพวกที่ยังติดอยู่กับโคลนตมและจะกลายเป็นอาหารของปูปลาไปพวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามให้กลายเป็นบัวเหนือน้ำขึ้นมาและเป่งบานออกมาได้นี่ก็คือบุคคลสี่ชนิดที่ทรงได้ ทรงพิจารณาเปรียบเทียบพวกแรกที่เรียกว่าเป็นพวกบัวเหนือน้ํานี้ก็คือพวกที่เป็นนักบวชพวกที่ได้มีศีลบริสุทธิ์รักษาศีลได้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็ได้ฝึกสมาธิสามารถเข้าฌานในระดับต่างๆได้เข้าเข้ารูปฌานได้เข้าอารมณ์ฌปปานได้ มีจิตที่สงบนิ่งมีอุเป็นอุเบกขาพวกนี้ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐคือพระอริยรรสัจสีว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายและการที่จะทำให้การเกิดแก่เจ็บตายนี้สิ้นสุดลงนี้ต้องทาต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือ ตรงนี้พอพระเจ้าทรงสแสดงว่าเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาความอยากสามประการกรามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามาตัณหาคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้ความสุขพวกที่สองก็พวกที่ ความอยากข้อที่สองภาวะทันหาก็คือพวกที่อยากจะเสพความสงบของรูปฌปานและพวกที่ความอยากข้อที่สามวิภาวะทันหาก็คือพวกที่อยากจะเสพความสุขของอรูปฌานเนี่ยความอยากสามอันนี้เป็นเหตุที่พาให้สัว์โลกมาเกิดในไตรภพสามภพด้วยกันพวกที่มีการมตันหา ก็จะมาเกิดในการมาพบพบของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานพบของเทวดาพบของเรสของนรกเป็นต้นนีคือพวกที่มาเสพกลามก็จะมาเกิดในพบเหล่านี้ส่วนพวกที่เสพรูปประชานเป็นนักบวชถือศีลออกบวชแล้วก็ไปเจริญสตินั่งสมาธิจนสามารถเข้า สู่ความสุขของรูปฌปานได้พวกนี้ก็จะไปเกิดในรูปภปพคือภพของรูปปภมแล้วพวกที่มีความอยากเสพอารูปฌานพวกนี้เป็นพวกที่สามารถเข้านั่งสมาธิและเข้าสู่ระดับอารูปฌานได้พวกนี้ก็จะไปเกิดในอารูป พบคือพบของอรูปประพมในในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่าสังสารวัฏนี้มีพบอยู่สามพบด้วยกันการมาพบรูปภระพบและอรูปภระพบและการไปเกิดในรูปภระพบอาการมาพบก็เกิดจากการมตัญหาความอยากเสดการรูปประพบ ก็เกิดจากการอยากจะเสพ ร, รูปฌานอรูปภพก็เกิดจากการมีความอยากจะเสา ร, รูปฌานจึงเป็นที่มาของไตรภพและการที่จะออกจากไตรภพนี้ได้ก็ต้องละการ ม, มาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเครื่องมือที่จะใช้ในการละนี้ก็คือ ศีลสมาธิและปัญญานั้นเองพวกที่เป็นวัวเหนือ น, น้ำนี่เป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วแต่ขาดปัญญาต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างเทวพุทธเจ้ามาค้นพบปัญญาคือค้นพบอริย ส, สัจสีค้นพบายลักคือให้เห็นว่าพบทั้งสามนี้เป็นายลักคือเป็นของไม่เที่ยง มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงละถาวนได้ถ้าไปอยากได้พพเหล่านี้ก็จะต้องเจอกับความทุกข์เพราะเวลาที่สูญเสียความสุขที่ได้จากการเสพตามก็ดีเสพรูปประชานก็ดีเสพอรูปประชานก็ดี ก็จะทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและทำให้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเพื่อกลับมาเกิดเพื่อตอบสนองการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานีถ้าไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดก็ต้องละความอยากเหล่านี้เวลาเกิดการมาตัณหาเกิดความอยากจะเสพการก็ละ พอเห็นว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเป็นการเสพความทุกข์ถ้าต้องการจะเสพรูปประชานก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จะต้องเจอเวลาที่มันเสื่อมมันหมดไปก็เจอความเจอความทุกข์เช่นเดียวกับเอารูปประชานก็เลยละไม่ทาตามไม่หาความสุขจากการไม่หาความสุขจากรูปปาน ไม่หาความสุขจากอารูปประชานพอหยุดการหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้ใจก็หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะเสพการก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่มีความอยากเข้ารูปประชานหรืออรูปประชานก็ไม่ต้องมีร่างกาย ใจก็หลุดพ้นจากการติดอยู่การยืนไหยตายเกิดในตายพบในสังสารวัตด้วยปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรู้ก็คืออริยสัจสีและใตรักนี่พอแสดงธรรมข้อนี้ให้กับพวกที่มีศีลมีสมาธิคือพวกนัก บ, บวชทั้งหลายแล้วพอที่เขาได้ยินได้ฟังเขาก็สามารถ กับใจของเขาได้ตัดความอยากต่างๆตัดกา ร, รมารตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาที่มีอยู่ในใจของเขาได้ทําให้ใจของเขานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทันทีอันนี้แหละคือกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงไปโปรดไปทรงแสดงธรรมให้เพราะรู้ว่าเป็นผู้ที่จะเรียนรู้ได้เร็วบรรลุได้เร็ว จะได้เป็นผู้ที่จะได้มาช่วยพระพุทธเจ้าเอาธรรมะอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปในครั้งแรกๆในการแสดงธรรมนี้ทรงใบโปรดพวกนักบวชตามสำนักต่างๆจนทำให้มีนักบวชเหล่านี้บรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์กันขึ้นมาอันทีเป็นจำนวนบ้า บางทีมีห้าร้อรูปนั่งฟังธรรมพร้อมๆกันบนรรลุปเป็นผ้าอหารหันตสาวกได้พร้อมๆกันนี่แหละเป็นที่มาว่าเพียงในระยะเพียงเจดเดือนแรกของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านี้ทําให้มีผ้าอหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจํานวนมากเลยทรงแสดงธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปด ที่เราเรียกว่าวันนราสาห บ, บูชาแล้วก็แสดงมาเรื่อยๆจนถึงวันเพ็นเดือนสาเจดเดือนต่อมาก็ปรากฏมีพ้าอาราันตสาวกอย่างน้อยก็125่สริรูปปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้มากาพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความกตัญญูด้วยความทราบซึ้งในพระคุณอันประเสริฐ เพราะว่าถ้าขาดพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วเหล่พาพระอรหันตสาวกเหล่านี้จะไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นพาาระอรหันตสาวกเลยก็จะต้องติดอยู่กับการเมียนไหวต่างเกิดอยู่ต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีความสามารถที่จะเข้าสมาธิเข้าสู่รูปฌานกับอรูปฌานได้ก็ตามแต่ การเข้ารูปประชานเข้าอารูปประชานนี้ก็เป็นการติดอยู่ในรูปประพบและอรูปประพบดั้นเองแล้วเมื่อรูปประชานหรืออรูปประชานเสื่อมลงจิตก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเพื่อมาสร้างรูปประชานอารูปประชานใหม่ตรงนี้ก็ยังจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ละความอยากทั้งสามประการคือให้ละกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาปลายลักษณ์ในสภาวะธรรมต่างๆที่ใจอยากจะไป เสอยากจะไปมีอยากจะเสดกรารมก็ต้องเห็นว่ากรารมนี้เป็นตายักไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มไม่ไ ม, ไม่ไม่อยู่ภายใต้อานาจของใครที่จะทำให้มันเที่ยงได้รูปประชานเอารูปประชานก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ นอกนั้นแล้วก็จะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงได้ น, น, นี่แหละคือที่มาของทำไมจึงมีพาา ร, ระอาหันต์ตาวคปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นจำนวนมากเลยเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมันประเสริฐ <c oughs> คือพระอาริยสัจ ส, สีและใจรัก <c oughs> หลังจากที่ได้ตัดทะลุแล้วก็นําเอาความรู้อันประเสริฐนี้มาสอนให้กับผู้ที่พร้อมที่จะนําเอาไป <c oughs> ละความอยากที่มีอยู่ภายในใจของตนหรือพวกที่มีศีลที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่มีสมาธิสามารถเข้าสมาธิได้อย่างอย่าง่ย า, งายได้ตรงนี้จะมีพลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอรู้ว่ากามาตัญหาไม่ดีพอเกิดกามาตัญหาก็หยุดได้ทันทีพอเกิดภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาก็จะหยุดมันได้ทันทีเมื่อหยุดแล้วมันก็หมดหมดกําลังที่จะมาผลักดันให้จิตกลับ ม, มาเวียนว่ายตายเตลิดต่อไป <c oughs> นี่คือกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงมุ่งไปสอนเพื่อให้เขาได้บรรลุธรรมได้อง่ายได้และรวดเร็ว แล้วหลังจากนั้นก็จะได้มาช่วยพระพุทธเจ้านำธรรมบัญเสรินี้ไปเผยแพ่ให้กับผู้อื่นต่อไปทำให้การเจริญของพระพุทธศาสนานี้เจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีผู้ที่ศรัทธามีผู้ที่เลื่อมใสออกบวชกันเป็นจำนวนมากอันนี้เป็นบัวเหล่าที่หนึ่งที่ทรงปโปชด หลังจากที่ไม่บัวเหล่าที่หนึ่งคือพวกบัวเหนือน้ํานี้ได้รับการสอนจนบรรลุหมดแล้วเป็นบัวบานไปนหมดแล้วก็ไปสอนพวกบัวเปลี่ยนน้าต่อไปพวกบัวเปลี่ยนน้ำก็คือพวกที่เป็นนักบวชมีศีลที่บริสุทธิ์แต่ยังไม่สามารถเข้าสมาธิได้ยังกําลังฝึกหัดอยู่กําลังเจริญสติเดินจงกรม เพื่อมานั่งสมาธิก็ทําใจให้สงบเข้าสู่รูปฌานและอรูปฌานพวกนี้พระองค์ก็จะทรงสอนให้พยายามปฏิบัติสติให้มากจเจริญสติอยู่เรื่อยเื่อตั้งแต่ตื่นจนหลับนแล้วมีเวลาก็ให้นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบ พอเขาสามารถเข้าสมาธิได้มีรูปประชเข้ารูปประชานได้เข้าอารูปประชานได้ mm hmm. ก็พอเขาออกจากสมาธิ mm hmm. ก็สอนให้เขาพิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการตามอยากต้องการกามตัณหาต้องการกามคื อ, ร, อ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็ให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์ ต้องการรูปฌานก็ให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์ต้องการอรูปฌานก็ให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์พอเห็นว่าการคือการมาคุณห้าเป็นทุกข์รูปฌานเป็นทุกข์อรูปฌานเป็นทุกข์ก็จะได้หยุดเศษมันหยุดหยุดความอยากพอหยุดความอยากจิตก็เลยไม่มีอะไรที่จะดึงให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป มีคือพวกพวกที่สองเรียกว่าบัวปลิ่นน้ำเป็นพวกนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์รักษาศีลได้แต่ยังเข้าสมาธิไม่ได้หรือกำลังฝึกหัดที่จะเข้าสมาธิกันอยู่หรือเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้ฝึกให้ทำให้ชํานาญให้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการและขณะไม่ได้อยู่ในสมาธิใจก็มีความนิ่งสงบมีอยเบิขา เวลาเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาตัดมันละมันตรงนี้ก็จะต้องใช้เวลาปฏิบัติอีกสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ตาคกขึ้นมาได้นี่คือพวกที่สองพวกบัวเปล่งน้ำพวกที่สามที่พระพุทธองค์ทรงไปเทศน์สอนต่อไปก็คือพวก ศรัทธาญาติยู่พวกที่ยังเป็นคาลาวะทุกขคลองเรือนอยู่แต่มีศรัทธาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์มีศรัทธาที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระเช่นเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดถือศีลในวันพระถือศีลแปดแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา ตรงนี้พระ อ, องค์ก็จะมาใช้เวลาแสดงธรรมให้เขาฟังให้เ ข, เขาเข้าใจหลักของอริยสัจอริยสัจสี่เข้าใจหลักปลายลัคนเข้าใจหลักของมรรคแปเข้าใจหลักของทานศีลภาวนาว่าเป็นทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตรงนี้ถ้าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติก็จะค่อยๆก้าวหน้าไป จนกระทั่งถึงขีดที่อยากจะออกบวชต่อไปก็จะกลายเป็นจากบัวกลางน้ำไปกลายเป็นบัวปลิ่ยน้้ำจากเป็นผู้คองเรือนรักษาศีลแต่ในวันพระก็กลายมาเป็นนักบวชรักษาศีลตลอดเวลามีเวลาจเจริญสตินั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาก็จะพัฒนาจากบัวกลางน้ำขึ้นไปเป็นบัว เปลนน้าและเป็นบัวเหนือน้ําตามลําดับต่อไปนี่คือบัวกลุ่มที่สามคือหมายถึงศรัทธาญาติโยมอย่างที่ญาติโยมมาวัดกันนี้นะถือว่าพวกญาติโยมนี้ถือว่าเป็นบัวเหล่าที่สามวัวกลางน้ำยัง ต, ต้องใช้เวลาพัฒนายัางต้องรักษาศีลเพิ่มให้มากขึ้นจนสามารถที่จะรักษาศีลได้ทุกวัน สามารถออกบวชได้สามารถใช้เวลาให้กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิได้สามารถควบคุมนิวรณ์คือความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็จะสามารถออกบวชได้เมื่อได้ออกบวชก็จะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นก็จะได้รูปประชานารูปประชานต่อไปพอได้รูปประชานารูปประชานก็สามารถใช้ปัญญา มาละความอยากต่างๆได้นี่คือวักลุ่มที่สามส่วนวักลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเรื่องคำสอนของพราเจ้าอริยสัจสี่ตายลักนี่เป็นเรื่องเพ้อเจ้อมนุษย์ปฏิบัติไปทำไมไปฝืนความอยากทำไม ฝืนแล้วก็ทุกเนี่ยเขาเห็นว่าการทำรามความอยากนี่เป็นความสุขการฝืนความอยากการวามหยุดความอยากนี่เป็นความทุกเขาก็ไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นจากบัวที่อยู่ในโคนตมมาเป็นบัวกลางน้ำเป็นบัวผิม น, น้ำและเป็นบัวเหนือน้ำได้พวกกลุ่มที่สีน่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่า ไม่สามารถที่จะสอนเขาได้เพราะความมืดบอดของโมหะอาวิชชาปิดกั้นแสงสว่างแห่งธรรมทำให้เขาไม่เห็นคุณค่าแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็จะไม่สอนบัวกลุ่มนี้บัวกลุ่มที่สีนี่คือเรื่องของบุคคลต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาแยกแยะ และพิจารณาว่าควรจะสั่งสอนใครก่อนหลังเบื้องตอน้นเบื้องต้นให้ไปสอนพวกที่เป็นนักบวชก่อนเพราะเขามีความสามารถพร้อมเขาขาดเพียงปัญญาขาดความรู้เกี่ยวกับลียสัตตสีตรัยลักษณแปดนี้เท่านั้นเองเพอเขารู้เขาเข้าใจเขาก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการพาให้จิตมาวิยนว่ายตายเกิดได้ ก็จะมีปลาจะมีการบรรลุธรรมกันอย่างรวดเร็วนีในสมัยที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกๆนี่พอแสดงธรรมเสร็จก็บรรลุธรรมกันเลยเพราะใจของผู้ฟังนี้มีสมาธิมีรูปประชานมีสติมีอุเบกขามีศีลที่บริสุทธิ์กายวาจาใจที่สงบ พ, พอได้ปัญญาเข้าไปปัญญาก็เลย ุ่งเป้าไปที่ตัวปัญหาคือตัณหาความอยากพอเขาละปัญหาความอยากต่างๆได้ใจของเขาก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทันทียุคแรกๆของการแสดงธรรมนี้มีคนบรรลุธรรมกันมากในขณะที่ฟังธรรมแต่ยุคต่อมานี่มีการแสดงธรรมแต่ไม่มีการบรรลุกันเพราะว่าขาดสมาธิขาดอุเบกขากัน มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิฟังแล้วก็ไม่สามารถหยุดความอยากได้อันนี้ก็ต้องไปยังไปฝึกสตินั่งสมาธิให้เกิดสมาธิเกิดความสงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาในใจให้ได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลาเกิดความอยากก็ใช้อุเบกขากับปัญญานี้มาหยุดความอยากต่างๆได้นี่แหละคือ เรื่องของการแสดงธรรมโปรดสวรโลกทรงแบ่งผู้ฟังธรรมไว้สี่จำพวกด้วยกันคือพวกบัวสี่เหล่ายุคแรกๆก็สอนแต่พวกบัวเหนือน้ำก่อนเป็นที่มาว่าทำไมในวันมาฆ้าบูชานี้จึงปรากฏมีพระอานันตสาวกเป็นจำนวนมากมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันพระสาวกเหล่านี้พอเขาบรรลุ หลุดพ้นแล้วพระมุทเจ้าก็บอกให้เขาแยกทางกันไปเผยแผ่ธรรมะให้ไปคนละทิศคนละทางกันไม่ให้ไปด้วยกันให้แยกกันไปเพื่อที่จะได้นําธรรมอันต่อเสฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้ได้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วนั่นเอง mm hmm. จึงมีการแยกกันไปหลังจากที่บรรลุแล้วเช่นพวกที่เป็นพระ ที่สังเทศสังธรรมบรรลุกันพร้อมกันห้าร้อยรูปนี้พอบรรลุแล้วก็แยกกันไปแยกกันไปคิดต่างๆไปโปรดผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากการยืนว่า้ตายเกิดให้เขาได้หลุดพ้นกันแล้วหลังจากที่ไม่ได้ได้ไปทำงานเผยแผ่อยู่จากระยะหนึ่งก็เกิดความคิดถึงพระพุทธเจ้าเ่อยความประทับใจในพระธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ใจความทราบซึ่งในพระกุณยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าก็เลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนเดือนสคือวันนี้นั่นเองและในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตัดสั้นในโลกนี้จะแสดงกันเป็นการวางหลักสูตรของการเผยแผ่สั่งสอน ให้กับพระรลันตสาวกได้นำเอาไปใช้เผยแผ่ต่อไปทรงแสดงธรรมที่มีเรียกว่ามีชื่อว่าโอวาทปาติโมกคือการแสดงสรุปข้อคำสั่งคำสอนที่มีอยู่สามข้อใหญ่ๆด้วยกันว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดจรูนแล้วนี้จะเผยแผ่ธรรมะด้วยการเผยแผ่วิธีการปฏิบัติสามข้อใหญ่ๆนี้ คือข้อที่หนึ่งก็คือให้ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและข้อที่สให้ชําระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่ได้มาตัดสัลุในอดีตที่ผ่านมาแล้ว หรือในอนาคตที่จะตามมานี้ทุกๆพระองค์นี้จะทรงสอนเหมือนกันหมดเพราะนี่คือวิธีเดียวที่จะทำให้จิตที่ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นทางเดียวทางนำไปสู่การหลุดพ้นนั้นทุกทุกพระองค์ถึงแม้จะไม่เคยพบปะ ก, กันมาก่อน เช่นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ไม่เคยพบปะ ก, กับพระพุทธเจ้าในอดีตไม่ได้พบปะ ก, กับพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่รู้อยู่ว่าจะต้องสอนแบบเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์นี้ก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่ผลิตเอาจากโรงงานอันเดียวกันรุ่นเดียวกันรถยนต์รุ่นเดียวกันผลิตออกจากโรงงานเดียวกันนี่มีคุณสมบัติเหมือนกันหมด กันใดพระพุทธเจ้าที่มาตัดสรุก็เหมือนกันทุกเหมือนกับเหมือนกับรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานนั้นเดียวกันรู้ว่าจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้จิตได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะได้ทรงปฏิบัติมาด้วยตนเองแล้วได้หลุดพ้นจากการปฏิบัติเหล่านี้แล้วจึงได้เอาวิธีการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนี้ มาสอนมาเผยแผ่ต่อไปวันนั้นในตอนบ่ายก็ได้ทรงแสดงทำโปรดพระอันหาสองหนึ่งร้อยห้าสบรูปให้ทราบถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงแสดงเวลาที่มาโปรดสัตว์เวลาที่มาเผยแผ่ธรรมะนี้จะไม่สอนเรื่องอื่นจะสอนในสามเรื่องหัวข้อใหญ่ๆนี้จะสอนให้ละาการกระทาบาปทั้งปวง สอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆการสอนแต่ละครั้งก็อาจจะไม่ไดสอนรวมกันทั้งสามอย่างบางทีก็ดูความสามารถของผู้ฟังว่าควรจะรับฟังส่วนไหนไปก่อนถ้าเขายังไม่มีศักยภาพที่จะไปชำระใจให้ได้ก็สอนให้เขาทำบุญก่อน คือสอนให้เขาละการกระทําบาปก่อนสอนไปเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเห็นว่าเขามีศักยภาพพร้อมที่จะชําระความอยากได้ด้วยการเจริญจิตตภาวนาด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาก็จะสอนทำในระดับนั้นไปแล้วแต่ความสามารถของผู้มาศึกษาเพราะผู้ที่มาศึกษาก็เป็นเหมือนนักเรียน นักศึกษาในระดับต่างๆบางพวกก็ยังเป็นพวกอนุบาลอยู่บางพวกก็เป็นอยู่ระดับประถมบางพวกก็อยู่ระดับมัธยมบางพวกก็อยู่ระดับอุดมศึกษาคือระดับมหาวิทยาลัยการสอนก็จะแตกต่างกันไปแต่เป้าหมายก็อันเดียวกันคือนํำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง ดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเราที่มาศึกษาควรจะพยายามทำกันก็คือข้อที่หนึ่งคือให้ละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงก่อนเพราะการกระทำบาปนี้จะฉุดหนึงจิตให้ลงต่ำจะให้จิตติดอยู่กับกองทุกข์นานขึ้นไปอีกคือผู้ที่กระทำบาปนี้ใจจะมีใจจะมีแต่ความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดเวลาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วหลังจากที่ตายไปจิตก็จะตกลงไปสู่อบายตกจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นสัตว์นรกนัเเบื้องต้นนี้ต้องพยายามปิดประตูอบายให้ได้ก่อนนละเหตุที่ดึงให้ใจไปอบายก็คือการกระทำบาสนี่และการเสพอบา ย, ยมุกต่างๆ จึงสอนให้ละการกระทาบาปทั้งปวงรวมถึงอบายามุกด้วยอบายามุกก็คือการดื่มทรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตรความเปลียบคลานและการครบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรไม่ให้เสพเหล่านี้เพราะถ้าเสพแล้วมันจะดึงให้ใจเข้ามาอยู่ที่ทางเข้าอบาย อบายมุกแปลว่าทางเข้าลหรือทวารอบายก็คือที่ไปเกิดของผู้กระทำบาปเพราะการเสพอบายมุกนี้จะทำให้เกิดการกระทาบาปได้ง่ายขึ้นแต่ผู้ที่ไม่ได้เสพอบายมุกนั่นเองเช่นเวลาดื่มโุราแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเวลาคิดที่จะทำบาปก็จะไม่มีสติยับยัง้งจะทำได้ทันทีเลย แต่ถ้าไม่ได้ดื่มสวราไม่มืนเมาเวลาที่จะทำบาปนี้ก็จะมีสติรู้ทันรู้ว่ากำลังจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดทุกข์ตามมาก็จะห้ามหากห้ามจิตใจไว้ได้นี่คือเรื่องของอบายมุขอบายมุขไม่ได้เป็นตัวที่กระทำบาปแต่เป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดการกระทำบาปได้ง่ายก็เลยต้องห้ามอบายมุขไว้ก่อนอย่าดื่มสซราอย่าเล่นการพ น, นัน อย่าเที่ยวอย่าเปียดครั้อย่าไปคบคนชอบอบายมุขเพราะถ้าไปคบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายมุขนั่นเองถ้าเขาชอบดื่มโุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเราเก่งใจเขาเราก็ต้องไปกับเขาไปกับเขาเราก็จะเสียตัวเราก็จะไปเป็นเหมือนเขาไปไ ป, ไปติดอบายมุข แล้วพอไม่มีเงินเพราะการเล่นการเสพอบายามุขมีแต่รายรายจ่ายไม่มีรายรับนั่นเองต่อไปเงินก็ไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีมิชอบไปลักทรัพย์บ้างไปหลอกลวงบ้างเป็นตน้นนี่คือสาเหตุว่าไม่ควรทำไมไม่ควรที่จะไปเสพอบายามุขแล้วก็ไม่เสพอบายามุขแล้วก็มา ให้รู้จักว่าการกระทําบาปมีอะไรบ้างก็มีอยู่สี่ข้อคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีและการพูดปดโกหกหลอกลวง mm. อันนี้เป็นการกระ ท, ทําที่จะทําให้ใจนี้โตกต่ํา mm. เสื่อมจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง mm. เป็นเปรตบ้าง mm. เป็นนสุรกายบ้าง mm. เป็นนรกบ้าง mm. เหตุที่ทําให้ไปเป็น เดราชาฉานคืออะไรก็คือการทำบาปด้วยความไม่รู้หรือความหลงคิดว่าไม่บาปไม่เป็นไรเช่นต้องทรมาหากินเลี้ยงชีพก็เลยต้องไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าอย่างนี้คิดว่าไม่บาปไม่ผิดกฎหมายก็ตามแต่ทางกฎแห่งกรรมนี้ถือว่าบาปตายไปก็จะต้องไปเป็นเดราชาฉานเพราะเดราชาฉานเขาก็เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเอง ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่รวยต้องโกงต้องโกงหกหลอกลวงพวกนี้ก็จะเป็นดวงดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวความกลัวก็จะไปเป็นอัสุรละกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเลียดฟันต่อฟันตาต่อตา ตรงนี้ก็จะไปนรกนี่คือที่มาของอบายสี่สถานด้วยกันสาเหตุที่ไปแยกกันไปก็อยู่ที่เหตุของเหตุที่ทำให้ไปทำบาปทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดราจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นนสุรกายทำบาปด้วยความมาฆาาพยาบาทก็ไปนรกกัน น, น, นี่แหละทำไมเราถึงไม่ควรที่จะทำบาป ถึงแม้ว่าตอนที่เราทานี้เราได้ทำบาปแล้วเราได้ประโยชน์ได้เลี้ยงชีพเราด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ตามแต่ผลที่เราจะต้องไปรับใช้ต่อไปมันไม่คุ้มค่าตายไปต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้าเราเลี้ยงชีพด้วยด้วยด้วยด้วยอาชีพอย่างอื่นอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์อาชีพที่ต้องไม่โกหกหลอกลวงหรือไม่ไม่ทำบาปตายไปเราก็จะไม่ไปอบายกัน ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีอันนี้คือสาเหตุว่าเราทําไมไม่ควรจากระทำบาปกันเพราะถ้าเราได้ไม่เป็นมนุษย์เราก็จะได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะไม่รู้รจักคําสอนถึงแม้จะอยู่ในวัดก็ตาม อย่างพวกสุนัขที่เขาเอามาปล่อยในวัดนี้เขาก็อยู่กับพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่สามารถเข้าใจถึงคำสอนที่เป็นภาษาของมนุษย์ได้เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานอกจากได้ที่ปลอดภัยได้ที่อยู่ที่ปลอดภัยและมีอาหารการกินมีพระคอยเลี้ยงดูเท่านั้นเองแต่การที่เขาจะได้ความรู้ทางด้านปัญญาเพื่อทาให้เขาหลุดพ้น จากการเวียนว้ายตายเกิดนี้เขาไม่มีโอกาสเลยสาเหตุเพราะชาติก่อนๆเขาไปทำบาปด้วยความหลงนี่เองฉะั้นเราอย่าเอาหวังประโยชน์อันอันอันอันสั้นๆในขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือเช่นไปธรรมากินด้วยด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงแม้เราจะอยู่ได้แต่เราเวลาตายไปนี้เราจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเวลานานต้องไปรับใช้บาปที่เราทำไว้อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อาจจะไม่เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ น, นี่คือสาเหตุที่ทำไมเราไม่ควรทำบาปกันเพื่ออย่างน้อยที่สุดเวลาตายไปแล้วเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะได้มี <c oughs> จะได้มีโอกาสถ้าได้เจอกับพระพุทธศาสนาจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วน้อมนำมาไปปฏิบตัติเพื่อพัฒนาจิตใจ ให้สูงขึ้นให้หลุดพ้นจากของกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอันี่คือข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราปฏิบัติกันก็คือให้ละเว้นจากการกระทาบาปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วขึ้นและได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังเทศได้ปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นนั่นเอง พอเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วเราก็พยายามทำตามข้อที่สองถ้าเราทำได้ก็คือให้เราสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมทำว่าบุญกุศลก็คือการทำความดีต่างๆการทาคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจะเป็นบุคคลก็ได้จะเป็นองค์กรก็ได้จะเป็นศาสศาสนาก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เราเสียสละ ประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น <Yeah. S 1> เพราะการกระทำบุญการกระทำความดีนี้จะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจะเพิ่มความสุขในใจของเราให้มีมากขึ้นตอ <Yeah. S 1> นนี้ใจเรามีความสุขระดับของมนุษย์แต่ถ้าเราได้ทำบุญทำทานด้วยวิธีการต่างๆนี้เราจะเพิ่มความสุขขึ้นมาใน ใ, นใจของเราให้มากขึ้นแล้วความสุขของเราก็จะขึ้นไปสู่ระดับของเทพของเทวดาทั้งหลาย yeah. Yeah. ถ้าเกิดเราตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดาก่อนแล้วหลังจากที่ได้ได้เสวยสุขของเทวดาจนหมดแล้วก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เราจะไม่ไปที่อบายเพราะาเรายังรักษาชินกันไว้อยู่นั่นเองไม่กระทำบาปต่อไปอันนี้คือข้อที่สองที่ผู้เจ้าต้องทรงสอนให้พวกเราพยายามทากันถ้ามีโอกาสทาได้ทาไป ทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เขามีความสุขแล้วเราจะเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจของเราเวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครทำให้คนอื่นเขาได้พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนทำให้เขามีความสุขใจของเราก็จะมีความสุขขึ้นมาใจของเราก็จะสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทวดากันแล้วจากเทวดาเราก็จะมีโอกาสได้ขึ้นสูงกว่า น, นั้นคือขึ้นสู่ขั้นของของพรหมต่อไป เพราะว่าเมื่อเราได้ทําบุญรักษาศีนได้แล้วนี่ใจของเราจะมีความสุขจะทําให้เราอยากจะมีความสุขมากขึ้นเราก็จะต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีห้ามาเป็นศีแปเพื่อที่จะได้มีเวลาไปปฏิบัติสติจเจริญสมาธิกันเพื่อให้ได้ความสงบได้สมาธิอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความสุขขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยการชําระ ความอยากต่างๆการไปถือศีลแปดการไปภาวนานี่เรียกว่าเป็นการชำลากจิตใจลดลากความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่คอยฉุดลากให้ใจของเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเวลาเราไปฝึกสตินั่งสมาธิเวลาจิตสงบนี่ความอยากต่างๆก็จะถูกระงับไปชั่วคราวมไม่ลางับอย่างถาวรแต่เป็นการตัดกำลังของความอยากให้เบาลงให้น้อยลงแต่ยังไม่หมด แต่ก็จะทำให้ใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะตัวที่มาทำให้ความสุขมันไม่มีหรือน้อยลงไปก็คือความอยากต่างๆนั่นเองความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเสพกามเราก็ใช้ศีลกัใช้สมาธิมาระ ง, งับมันศีลก็ศีลเป็นต้องเป็นศีลแปดเพื่อที่เราจะได้ระ ง, งับกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายยุติการร่วมหลับนอนกับแฟน ยุติการรับประทานอาหารหลายหลายมือรับประทานแค่วันละมือ้อสองมื้อก็พอยุติการหาความสุขจากการฟ้อนลำ้ทำทําร้องลําทําเพลงเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าพรเครื่องสมางต่างๆแล้วก็นอนบนบนบ น, บนเตียงที่ไม่สบายนอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆเนืที่นอนแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะมันจะสบาย มันจะทําให้นอนมากจะทําให้เสียเวลาเอาเวลาที่นอนนี้มาปฏิบัติหาความสุขจากการได้ทําใจให้สงบจะดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองแล้วก็เป็นความสุขแบบที่ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเป็นเครื่องมือ เวลาที่ร่างกายไม่สบายหรือไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะสามารถมีความสุขได้จากการเจริญสตินั่งสมาธิเท่าสมาธิเข้าฌานต่างๆได้อันนี้จะเป็นคุณมีประโยชน์มากจะเป็นที่พึ่งทางใจต่อไปในเวลาที่ร่างกายเริ่มเสื่อมลงเริ่มชราภาพเริ่มไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ก็จะไม่ซึมเศร้า<ม>เพราะว่าสามารถมีความสุขได้จากการฝึกสมาธินั่งสมาธิเข้าฌานท่านต่างๆได้มีความสุขได้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าใช้ร่างกายไปเที่ยวไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ<ม>ร่างกายของเรานี้มันเป็นของไม่เที่ยงเราต้องรู้เราต้องเตือนสติอย่าไปอย่าไปพึ่งมันมากจนเกินไป พอวันข้างหน้ามันจะพึ่งไม่ได้เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายพิกลพิการเป็นอมภพึกเป็นอมภ่าเนี่จะใช้ร่างกายไปหาความสุขไม่ได้ถ้าไม่รู้จักหาความสุขจากการฝึกสมาธินั่งสมาธิก็จะมีความซึมเศร้าเศร้าเศร้าหง อ, อยเหงาอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้อยากจะไปดูไปฟังอะไรก็ไปไม่ไหว อันนี้จะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถเข้าสมาธิได้เราก็จะไม่ซึมเศร้าจิตเราสงบจิตของเราจะผ่องใสเบิกบานทั้งๆถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้ร่างกายจะเป็นโรคภัยไข้ขเจ็บหรือเป็นพิกลพิการทางด้านใดด้านหนึ่งมันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิกัน นี่คือขั้นที่ขั้นของการหยุดความอยากชำระใจให้บริสุทธิ์ขั้นที่หนึ่งเป็นการชำระแบบสะอาแบบชั่วคราวสะอาดเฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วจิตก็จะเริ่มมีความอยากโผล่ขึ้นมาอีกเพราะว่าสมาธินี้เพียงแต่คอยกดความอยากเอาไว้ไม่ให้แสดงตัวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทําให้มันตายได้ การที่จะทําให้ความอยากต่างๆนั้นตายหมดสิ้นไปจากใจนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาหรือการเจริญปัญญาการสอนใจให้มีปัญญาให้เห็นว่าความอยากต่างๆนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะพาให้ไปทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่สูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปหรือเวลาที่ไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสได้ ความสุขที่ได้จากรูปฌานก็จะเสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้จากอรูปฌานก็จะเสื่อมไปหมดไปเพราะเป็นธรรมชาติของเขาที่จะต้องเสือ่อมแล้วถ้าไม่สามารถที่จะทําให้มันกลับมาได้ก็จะทุกข์นี่คือปัญญาสอนให้เรารู้ว่าอย่าไปหาความสุขอย่างอะไรทั้งหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นนี้ที่มีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เป็นอนาัตตาเราไปควบคุมบังคับให้เขาเทีย่ยงให้เขาอยู่ไปตลอดไม่ได้พอเ้าเสื่อมเขาสิ้นไปแล้วก็จะทำให้ใจเราทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปเสกเขาเราก็จะไม่ทุกข์ให้อยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่าเวลาที่ใจไม่มีความอยากแล้วใจก็จะเนิ่งสงบโดยโดยอัตโนมัติโดยโดยธรรมชาติของใจความอยากนี่เป็นตัวที่ทาให้ใจดิ้นทำจะทาให้ใจหิวทาให้ใจไม่มีความสุข พอเราสามารถกำจัดความอยากออกไปจากใจได้แล้วความความดิ้นรนของจิตก็หายไปความหิวก็หายไปความทุกข์ในใจก็หายไปเหลือแต่ความเย็นความสงบที่เป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละคือจิตของพาอาระอรหันตสาบกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนวิธีให้หยุดความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาจนถึงขั้นที่ ขั้นสุดขั้นที่สูงสุดก็คือขั้นปัญญา mm hmm. ก่อนที่จะเข้าถึงขั้นจะใช้ขั้นปัญญาได้ก็ต้องได้ขั้นสมาธิก่อนจิตต้องมีความสงบมีความนิ่งมีอุเบกขาที่จะสู้กับความอยากหยุดความอยากได้ก่อนและก่อนที่จะได้ได้สมาธิ mm hmm. ได้อุเบกขาก็ต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อน mm hmm. ต้องทําบุญทําทานใ ห, mm hmm. ให้ได้ก่อนให้ละการกระทําบาปต่างๆให้ได้ก่อน พอทำขั้นตอนเหล่านี้ได้แล้วก็จะถึงขั้นของปัญญาได้พอถึงขั้นปัญญาพอรู้ว่าตัวปัญหาที่ทำให้ใจเราไม่มีความสุขก็คือความอยากต่างๆนั่นเองแทนที่จะไปทำตามความอยากเราก็ไม่หยุดไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทาตามความอยากความอยากมันก็หมดกำลังไปเองแล้วต่อไปมันก็จะไม่มาสร้างความหิวสร้างความ วุ่นวายสร้างความทุกข์ความร้อนให้กับใจต่อไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบไปตลอดเวลาใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจไม่หิวแล้วใจไม่ต้องการมีร่างกายแล้วไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นล้นแล้วก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องการรูปประชานแล้วไม่ต้องการอารูปประชานแล้วใจไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความต้องการอะไรนี่คือเป็นความรู้ที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ส่งค้นพบโลกเหล่านี้ส่วนใหญ่คิดว่าความสุขเกิดจากการที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราไม่รู้เราว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมมันต้องหมดไปเวลามันเสื่อมมันหมดมันก็ทาให้เราทุกข์กัน อันนี้เราไม่คิดกันเราขาดปัญญามองไม่เห็นตายรักมองไม่เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่พวกเราต้องการกันถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความอยู่กับการไม่มีความอยากดีกว่าเวลาไม่มีความอยากเราใจเย็นใจสบายถ้าเกิดความอยากเราใจจะร้อน ถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดมันถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะสู้ความอยากไม่ได้มันอยากดูเราก็ต้องเราก็ต้องไปดูมันอยากดื่มอยากกินเราก็ต้องไปดื่ ม, ม, ไ, ปมไปกินแต่ดืม่มกินแล้วมันก็ได้ความสุขเดียววแล้วเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาใหม่ความอยากจะไม่มีวันหมดถ้าเราทาตามความอยากอยู่เรื่อยๆ วิธีที่จะทำให้ความอยากหมดไปก็คือต้องฝืนความอยากต้องไม่ทำความอยากเท่านั้นทาตามความอยากเท่านั้นตามหลักที่พรเจ้าทรงสั่งสอนนี่แหละคือเรื่องคาสอนที่พรเจ้าได้ส่งนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนในวันมาคบบูชาเพื่อให้ผู้ที่ปรารถนาความหยุดพ้นจากความทุกข์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ท, ที่ที่ถาวรของพระนิพพาน ได้นำเอาไปปฏิบัติกันนั่นก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชาระใจกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามสาข้อ น, นี้ได้ผู้นั้นก็จะสามารถบรรลุเป็นพาาาระอรหันตสาคกได้อย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของวันมาค่าบูชาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปูราปริภุเรนติสากขลงเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏทีตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุ สัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธาณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพารโควินาสสตุ มาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ส่งข้อความผ่านทางเพจทางมือถือก็ได้หรือข้ามาถามเองก็ได้เดี๋ยวสักครู่แป๊บเดี๋ยวนี้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากูดจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ577ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 354 YouTube Doctor V Channel 187 18วิ u t u b e Online 7 Club House 15นักกูด266เพิ่มทั้งหมด 1,406 ท่านค่ะโอเคเชิญถามได้เลยอ่าตัวได้กราบพระอาจารย์ค่ะ เป็นคําถามตอนนี้เนื่องจากเมื่อคืนที่หนูเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูมีจิตว่างอยู่หลายปีแล้วค่ะเป็นอุเบกขาแล้วก็เย็นสบายอยู่ในนั้นหลายปีแล้วติดความว่างอะค่ะหนูยังไม่ได้พิจารณาอสุภะแต่มันก็อยู่ในใจนะคะหนูชอบความว่างมากกว่าถ้ามันไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องใช้ปัญญาปัญญามีไว้สำหรับเวลาเกิดกิเลสเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดกามาราคะอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อระงับมัน เราสมาธินี้จะสู้มันไม่ได้เห็นะถ้าไม่มีกิเลสถ้าใจเย็นใจไม่เดือดร้อนอะไรกับใครก็ไม่ไม่มีความเบลเบ น, เนต้องใช้ปัญญาปัญญาเหมือนยาเนี่ยถ้าเราไม่ปวดหัวกิญยาแก้ปวดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องรอให้มันเกิดอาการปวดหัวถึงจะต้องกินยามันถึงจะหายปวดนะถ้าเกิดการมราค่าก็ต้องพิจารณาสุภาพถ้ากลัวความตายก็ต้องพิจารณาความตาย เงี้ยถึงต้องใช้ปัญญาถ้าอย่างนี้หนูก็อยู่ความว่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็หนูก็ต้องอาจจะคิดถึงเผื่ออนาคตถ้าเกิดหนูเจอเหตุการณ์ที่มันจะทําให้หนูทุกข์ได้ค่ะจะทำอย่างไรถ้าเกิดหนูต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วรักษาไม่ได้แล้วใจจะสงบอว่างเหมือนเดิมได้หรือเปล่าทําไม่ได้ก็ต้องพิจารณา ว, ว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าธรรมดานั่นเองค่ะ ถ้ามีเรื่องราวภายนอกที่มากระทบแล้วมันนิดเดียวอย่างเงี้ยเราอุดยิดนิดเดียวแล้วเราก็หายหรือก็ต่อไปก็เอาเอาอันนั้นมาทําการบ้างมันต่อไปเจอมันจะได้ไม่งุนงงเห็นค่ะพิจารณาว่ามันเป็นปตายละอย่าไปยุ่งกับมันแล้วถ้ามันผัสสะกระทบแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเราปล่อยไปเองก็ไม่มีความรู้สึกก็ไม่ต้องทํำอะไรนะสังแต่ว่ารู้ก็ไม่ต้องทำอันนี้ถือเป็นปัญญาใช่ไหมคะก็แสดงว่าจิตเราปล่อยวางใช่ไม่รู้เบกคขค่ะไม่ไป ไม่ไปมีความอยากกับเขาค่ะพระฉะนั้น์คะอีกคำถามหนึ่งคือคนที่เขาพูดกันว่าเอ่อก่อนตายจะต้องดับวิญญาณด้วยค่ะในขันห้าอันนี้ความหมายต้องดับไม่ได้หรอดับกิเลสเท่านั้นก่อนตาย หลัความกลัวความอะไรต่างๆค่ะอย่าทําอย่ากลัวตายค่ะทาให้กลัวตายแล้วใจก็สงบเย็นสบายแล้วถ้าจิตก่อนออกจากร่างมันแยกกันแล้วเราสัตแต่ว่ารู้เราไม่สนใจไม่วุ่นวายเราก็อยู่กับตัวรู้ของเราเราก็รู้ว่าร่างกายกับจิตแยกออกจากกันแล้วอยู่แค่นี้ก็พอพอแล้วถ้าใจนิ่งว่างเฉยๆก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าเกิดอาการตกใจก็ต้องใช้ปัญญาเอามันลงมัน กลับขอบคุณค่ะพระอาจารย์มีใครอยากจะถามเข้ามาได้คำถามถัดไปจากคุณแสนชัดค่ะโลกสามเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ดับเป็นทุกข์<ส>ใจเป็นทุกข์คุณ ด, ดังตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินนค่ะ จากคุณแสนฉัดค่ะโรคสามเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ดับเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ดับไม่ทุกข์เราเห็นอริยสัจด้วยตัวเองครั้งเดียวสามารถล้างตัณหาอวิชชาได้หมดไหมคะก็ดีก็เป้าหมายก็คือให้ละตัณหาความอยากทั้งหมดถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็อยากไปอยากได้เหมือนถ้เห็นว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มนี่มันเป็นมันเป็น มันเป็นมะเร็งได้ถ้าเดืมนะก็หยุดดื่มทันทีนทคำถามที่สองของท่านเดิมนะคะสามรอบสิบสองอาการในธรรมาจักรกับป่าวตนะสูตรคือขณะจิตเดียวใช่หรือไม่คะอันนี้เราก็ไม่ไม่กล้าที่จะยืนยันนะทางปฏิบัตินี้ก็ให้รู้อยู่ว่าอะไรเกิดแล้วถ้าอะไรเป็นที่เป็นทุกข์ก็ดับมันเท่านั้นแหะ ถ้าไม่ถ้ามันไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยมันไ ป, ไปตามเรื่องของมันคำถามจากคุณสุนัยลูกมีแต่ความทุกข์มีลูกสองคนอายุสาสิบดกับส0สิปีไม่เคยเชื่อฟังแม่เลยอยากรู้ว่าต้องทำบุญแบบไหนจะได้ลบล้างบาปได้บ้างเจ้าข้าวทำบุญด้วยปัญญาให้มองว่าลูกเขาไม่ใช่เป็นลูกของเราเป็นของคนเข้ามาฝากเขาเลี้ยง เราก็เลี้ยงมันไปตามบุญตามกรรมอย่าไปหวังอะไรจากมันเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปคิดว่าเป็นลูกเป็นของเราแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทุกข์หรือมองลูกว่าถ้ามันเป็นกล้วยก็ปล่อยให้มันเป็นกล้วยอย่าไปอย่าไปอยากให้มันเป็นส้มเพราะมันเป็นส้มไม่ได้เพราะมันเป็นกล้วยลูกมันโนอยากจะให้มันไม่โนมันก็ทําไม่ได้เพราะมันโนก็อย่าไปอยากให้มันไม่โนมันก็จะไม่ทุกข์เท่นั้นแหละ คำถามจาก youtube นะคะกับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราขับรถยนต์และเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องตายโดยเราไม่ได้ตั้งใจเราจะบาปไหมคะเราต้องทําใจอย่างไรเพื่อให้หายทุกจากความรู้สึกผิดคะก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องสุดวิสัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้กับเขาก็ได้เราไม่ตั้ง เราไม่มีเจตนาทาร้ายใครเราขับรถของเราไปอยู่ดีๆคนอื่นเขาก็ไม่มีเจตนาแต่รถเบรคเขาแตกเนี่ยเราควบคุมวง ม, มาลายไม่ได้ก็วิ่งมาชนเราเอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่อุบัติเหตุที่ไม่มีใครจะไปคาดหรือไปห้ามได้เมื่อมันเกิดก็ยอมรับสภาพไปแกันถ้าช่วยกันได้เยียวยากันได้ดูแลกันได้ก็ดูแลกันไป คำทมจากคุณกบ ค, ค่ะการใช้คำบริกรรมเจริญสติแก้จิตเสื่อมเรายังไม่ควรที่จะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิใช่ไหมครับจนกว่าจะดีขึ้นใช่หรือเปล่าครับถ้าสวดได้ก็สวดถ้านั่งสมาธิได้ก็นั่งถ้ายังนั่งไม่ได้ยังสวดไม่ได้ก็ใช้คาบริกรรมไปก่อนค่ะ คำถามสากคุณเกรียงไกลกราบนรรมสการครับการใช้คําบริกรรมพุทโธจําเป็นต้องกําหนดไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายหรือไม่ครับและสามารถใช้ร่วมกันกับการดูลมหายใจได้ด้วยหรือไม่ครับการใช้คําบริกรรมก็ให้อยู่กับคําบริกรรมแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวก็ต้องดูว่าเรากําลังทําอะไรด้วยเช่นเราเดินไปแล้วเราก็บริกรรมพุทโธไปแล้วก็ต้องมองทางที่เราเดินด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่า mm. น้นก็ต้องอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าเรานั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องดูอะไรเราก็ให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวได้คำถามสุดท้ายแล้วนะใกล้จะหมดเวลาแล้วจากคำถามจาก Youtube ค่ะ มรณารุสติมีประโยชน์อย่างไรกับการภาวนาคะแล้วขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยบอกวิธีการเจริญมรณะรุสติสําหรับคารวะค่ะก็มันช่วยหยุดความโลภได้อยากจะรวยพอคิดว่าถ้าพ่งนี้ตายมันก็ไม่รู้จะโลภไปทําไมต้องคิดอยู่เรื่อยว่าความตายนี้มันมาได้ทุกเวลาไม่มีใครรู้เพราะอะไรความตายมันเกิดจากสาหลายสาเหตุอาจจะไม่เกิดจากโใครใกล้เจ็บหรือความ แต่เท่าแต่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้พยานาให้คิดถึงว่าพอคิดถึงความตายทีลรนี้ความโยบความโลกมันจะหายไปเลยมั น, มนป ไ, ปไม่อยาโรบไปทําไมตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ยั้นมันเลิศถึงความตายอยู่เรื่อยวันหนึ่งให้ลึกมีมีสติเมื่อไหร่จําได้เมื่อไหร่ก็คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้นะให้คิดอย่างนี้ไปแล้วต่อไปมันก็จะได้ละความโลกได้เพราะมันรู้ว่าตายไปแล้วมันเอาอะไรไปไม่ได้